สามสิบห้ามุพยยดูที่สนามบินวิมานอสเรียมวดดาที่ฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเทนค่ะเนยนียเิเนสกี้บากับฟลายติเก็ตบุกเจียลกูตนาน่นอะ นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะอดีต direct flight อ er? ะขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะบวกกับ window seat smoking ไย่คดรได้ริดิฉันขอยืนยันการจองคะ่ะเน่นอนารีเซอ a t i o n นนี้ confirm เฉยละนะคุณนันนุดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ เนนุน่ารีเซอร์เวชันี่แคนซิลช่ยังละนักุตุนานุดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะเนนุน่ารีเซอร์เวชันี่มาร์ชอะนักตุนานุเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะโรมกี่ next flight ยอะปุ๊บยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะอเกรซลูไ่ะ ไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะเลวเกเบลัมบอกกับซีดูมาตรไม่หมดดิเราจะไปถึงเมื่อไร่คะมานามิเยปุดิกกตามุเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไรคะมาะนามเยปุดเชร์กุตามุ ร, รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไร่คะ ซิตี้เซ็นเตอร์กีบัสี่ปุ่เวลตุนดีนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะอดิมีซูตเกซ่นี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะอดิมีแบกอะนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะอดิมีสามานะ ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะเนี่ยนเย็นจะสามารถนที่สกิด ล, ละชุยี่กิโลกรัมอีร์ไวกิโลลรอะไรนะแค่20กิโลกรัมเองหรือคะเย็นทิเคยวลามีอร์ไวกิโลลู ม, มาตรเมนะคารุณาไปที่